เพราะถ้าพูดถึงตัวภาษาธะจักู่จะขึ้นว่าความใสของมหาภูตรูปสี่อ่ะ น, นะจักสู่นี้โดยสับแปละอาจว่าเห็นใช่ไหมหรือแปลว่าชอบก็ได้เห็นหรือว่าส่องให้ดูถึงว่าพื้นที่เนี่ยนะมันเรียบมันสูงมันต่ำเป็นต้นเนี่ยจกักษุนี่เป็นตัวบอกนะจักสู่แปลว่าบอกก็ได้แปลว่าชอบก็ได้ นี้ก็มาจากปัทวีอาโปเตโชและวายโยแล้วปัทวีเตโช ว, วายโยเนี่ยนะมาจากไหนมาจากกรรมกรรมมาจากไหนรูปปตัตญหารูปปตัตญหามาจากไหนอวิชชา ทีนี้ในจักสูนี่คือความใสของมหาพูดนี่มหาพูดที่เกิดจากกรรมไม่สามารถดำรงอยู่โดดๆได้ในในในในการมภูม่ะนะในในการมภูมทั่วๆไปเนี่ยไม่สามารถลําพังดำรงอยู่ด้วยกรรมมชรูปอย่างเดียวะนะก็จะต้องมีอาศัยอะไรอีก <God. S 1> อาศาัยพกตัวที่หล่อเลี้ยงพื้นฐานก็คืออาหาร อาหารแปดเนี่ยนะกลุ่มอาหารชรูปแล้วก็กลุ่มอย่างอื่นอีกคือจิตตชรูปอีกแปดกล่มอุตูเชรูปอีกแปดนะนะแล้วก็กลุ่มแล้วยังมีภาวะเข้ามาอีกนะยังมีกายเข้ามาอีกมันก็แวดล้อมอยู่อย่างเงี้ยนะ แต่ที่อย่างเรามองเห็นใช่ไหมเรียกว่าตามองตาเนี่ยนะที่มองเห็นตากันเนี่ยจริงๆแล้วเห็นสีของสิ่งเหล่านี้ไม่ใช่เห็นตัวทั้งหมดนะห้าสิบสี่รูปที่กล่าวไปที่เห็นได้มีอยู่สิ่งเดียวคือสีแต่สีอันนั้นเนี่ยก็บอกได้สีบอกได้ว่าสีอันนั้นมาจากอาหารนี่บอกได้ไหมเนี่ยนะ สีบางอย่างก็บอกได้ว่ามีสีนี่มีจิตเป็นสมุทฐานใช่ไหมเช่นดูตาบางอย่างก็พอดูออกใช่ว่าเนี่จิตเป็นสมุทฐานโดยเฉพาะโทสะจิตนี่เห็นง่ายหน่อยในชะ่ไหมหรือว่าอุตุเป็นสมุทฐานนี่ก็เห็นสีที่มีภาวะนี่ก็เห็นตาผู้หญิงกับผู้ชายนี่ไม่เหมือนกันอยู่แล้วเนี่ยนะก็ มองภาวะก็มองออกทั้นสีอย่างเดียวนะแล้วแต่จะอ่านอ่านสีให้เป็นอาฮกลุมหารชรูปอ่านสีให้เป็นกลุ่มจิตเชรูปอ่านสีให้เป็นตุชรูปหรือกายเนี่ยนะสีเนี่ยอ่านมองเห็นเป็นกายได้ไหมเช่นเวลาสมมติว่าเขาเจ็บตาเนี่ยพอมองออกไหมว่าเขาเขาเขาเจ็บตาอยู่นนพอมองออกไหมจามินิด ว่าเขาปวดตานะสามารถมองออกไหมคือจากภาพที่มองเห็นนะสามารถรู้ได้ไหมว่าทุกขากายญวิญญาณเกิดในตานั้นเช่นตาแดงกล่ำเนี่ยนะดูแดงมากเลยอ่ะหรอือที่เรียกว่ามือที่เรียกว่าอักเสบอนะก็ดูว่ากายภาษาสาตุนี้เขาเจ็บทีนี้สีเนี่ยก็ประกาศว่าสีในจักรคู่ภาษาธาก็บอกว่าเขาจะเห็นชัดหรือไม่ชัด ก็สังเกตจากสีที่นายจักขูภาษาฮะฮันสีคำว่าสีเนี่ยแล้วแต่จะอ่านไปหารูปไหนในในบรรดารูปเหล่านี้เนี่ยแล้วแต่จะคิดไปให้มันอยู่รูปไหนแต่ว่าพุทธพจน์ที่บอกว่าจากักขูไม่เที่ยงอันนี้หมายถึงอันนี้อันเดียวไม่เที่ยงก็ทำไมจึงยกมาให้เห็นแค่นี้ไม่เที่ยงกันไหเพราะว่าจากักขูมันดำรงอยู่ด้วยรูปเหล่าอื่นบริวารแวดลอ้อม ถ้าโดยเฉพาะเนี่ยตัวอาหารชรูปเนี่ยก็เป็นปัจจัยที่สำคัญของจกักษุให้ความสำคัญจึงึพิ่งบอกว่าเพราะอาหารเกิดรูปจึงเกิดให้ความสำคัญขนาดนั้นนะ คือสีที่อยู่ในภาษาท่าจากักษุก็มองเห็นเพียงแต่ว่าเราจะรู้ว่าสีอันนั้นอยู่ในกลุ่มรูปนั้นหรือเปล่าแต่โดยทั่วๆไปนะเช่นเขามองว่าคนนี้ตามองเห็นชัดหรือมองไม่เห็นชัดเนี่ยผมมองออกใช่ไหมถ้าเช่นตานี่มันมัวไปหมดเลยนะอย่างกระตาน้ําเข้าเนี่ยปกติก็พอมองออกอยู่แล้วว่าเขาไม่เห็นหรือเห็นไม่ชัดเนี่ยนะเห็นตาสมมติว่าตาขาวเต็มตาไปหมดเลยนะไอ้ขาวแบบ เดือนครึ่งเสี่ยวว่างเดือนเต็มเสี่ยวยนน ว, ว, ว่งเงี้ยนะภาษาไทยกับสูตรมันนิดเดียวเนี่ยไอ้ น, นิดเดียวเนี่ยเขาบอกว่าเท่ากับศีสะเลนเนี่ยนะของผมก็ยังไม่รู้ว่าเลนเนี่มันตัวเท่าไหนก็ไม่รู้นนเนี่ยนมันก็เลยแต่ว่าตามถ้าว่าตามแพทย์ก็รัศมีก็ไม่ใช่เล็กนะครับเกือบน้องๆหลังเล็บเหมือนกันนะในรัศมีของตัวตั ว, ต, วตัวตาเนี่ตาที่ที่ที่เป็นที่ตั้งอ่ะคำว่า บริเวณสมมุติว่าอันนี้เป็นมองมาจากข้างหน้านะตัวประสาทตาเนี่ยมันอยู่ตั้งบริเวณกว้างมากตัวที่ที่ภาพมาตกกันนะเน้อเรติ น, น่ า, ก, นนากว้างมาที่ที่มาต่อให้เส้นประสาทมาเนี่ยตำแหน่งเขาค่อนข้างใหญ่เพราะฉะนั้นถ้าเลนเนี่ยสีสระเลนเนี่ก็เลนเนก็งนองน้องๆหลังเล็บเหมือนกันนะเล็บนิ้วก้อยนย ก็ตัวที่เป็นตัวสำคัญของการเห็นเนี่ยนะแต่ก็เขาบอกว่าไอ้ไอ้ไอ้ตัวภาษาท่าจักษุนะครับในวงการศึกษาธรรมะเนี่ยไม่มีใครพูดให้เข้าใจได้ชัดเจนบางพวกเนี่ยนะครับว่าหมายถึงแก้วตาบางพวกหมายถึงจุดโฟกัสบางก็แล้วแต่จะตีความกันนะครับแต่ทีนี้ว่าถ้าอย่างทางแพทย์ให้ความสำคัญกับ เปติ ina, นะ่าจะเห็นหรือไม่เห็นอ่ะนะจะชัดหรือไม่ชัดอะ่ะถ้าตัวนี้ลอกออกไปก็หมดเลย <c oughs> แต่ว่าความสามารถมันสามารถเห็นได้ก็ใช้ได้แต่ที่จริงสีพวงนี้นี่นะคับเป็นอ่มันเป็นปรมาทัศน์ซึ่งมันรู้ได้ทางมโนทวารอยู่แล้วตัวที่ที่คุณภาพของสีที่รู้ได้นะคือเช่น เวลามองเห็นในห้องเนี่ยนะพเห็นเสาเห็นข้างบนเห็นข้างล่างถามว่าเห็นไหมไอ้ช่องอากาศเนี่มองเห็นไหมจริงๆไม่เห็นนะ <c oughs> แต่ว่าไอ้ความที่จิตเนี่ยนะมันรู้มันต่อด้วยโมโนทวารแป๊บเดียว <c oughs> เรื่องพวกนี้มันไม่ได้ช้าเลยถ้าสําหรับสำน ว, นวนว่าคนไม่คนมีปัญญานะมันไม่ได้ยากเย็นอะไรว่าโดยรวมๆแม้กระทั่งชีวิตรูปเนี่ยรู้ยากหรือรู้ง่าย ก็ลงว่าเออสุขุมมารูปด้วยนะชีวิตเนี่ยรู้ด้วยทางมโนทวาร น, นะรแม้จะไม่รู้<ะ>ทางจักรุทวารก็ต้องรู้ในมโนทวารเพราะปกติมันมันคนที่มีปัญญามันรู้ไม่ยากเอานะเช่นภาวะรูปเนี่อรู้ยากหรือรู้ง่ายโอ้ยถ้ารู้ยากนะบวชพระไม่ได้ครับ <c oughs> ถือว่าขีดความสา ม, มารถบวชไม่ได้ <c oughs> เพราะแยกไม่ออกว่าเป็นหญิงเป็นชายนี่ก็พอหนักถนัดมากเขาไม่ให้บวชหรอกครับนั่นแหละแล้วก็ชีวิตรูปคนเป็นกับคนตายเนี่ยนะก็ ก็รู้อยู่แล้วว่ายัางไงก้อนนี้ก็ต้องเป็นน่ยนะสิ่งมีชีวิตนี้ก็พอจะแยกออกได้อยู่แล้วเพราะสิ่งเหล่านั้นมันรู้ได้ทางใจนะตัวที่ที่เรียกว่าสนิทัศนารูปมีสิ่งเดียวคือสีส่วนรูปที่เหลือเป็นอนิทัศนารูปหมดทีนี้เอ่อตัวอย่างเช่นอ่สะสานิทัศน์บางอะบางอย่างเป็นอนิทัศนะแต่ต้องกระทบเช่นเสียงอ่ะนะเสียงนี่ต้องกระทบกลิ่นรสโภชภะก็ต้อง กะทบอันนั้นเขาเรียกว่าสานิทัศนะสับปติคะส่วนรูปที่เหลือเป็นอานิทัศนะด้วยอปปติฆะด้วยเนี่ยนะครับพุทธพจน์บทสุดท้ายนะครับไปส่วนงานศพจะได้ยินบ่อยสานิทัศนะสับปติฆะเนี่ยนะสานิทัศนะสับปติฆะทำมาอานิทัศนะเนี่ยนะ สัพติคาธรรมางั้นแล้วก็อ น, นิทัศ น, น, นะ น, น, นาบ์เนี่ยนะอณิทัศนาบปฏิคาธรรมาเนี่ยอ่าถ้าสนิทัศนะแปลว่าเห็นสัปติคาแปลว่ากระทบอ น, นิทัศนะแปลว่าไม่เห็นสัปปติคาแปลว่ากระทบ อานิทัศนแปลว่าไม่ไม่เห็นอัปติคะไม่กระทบตัวที่เห็นได้กระทบได้มีอย่างเดียวคือสีตัวที่เห็นไม่ได้หรือไม่เห็นเนี่ยนะกระทบได้คือวิสยรูปที่เหลือคืออะไรบ้างเสียงกลิ่นรสโธพธะพืพวกนี้เป็นเห็นไม่ได้แต่กระทบได้ ส่วนรูปที่เหลือจิตเจตสิกเป็นอนิทัศนะอัปปติฆะ น, นะก็พวกนี้เป็นอารมณ์ของอะไรอารมณ์ของของปัญญาอยู่แล้วเนี่ยนะไม่คื อ, อยา่าวิปัสสนาเลยอารมณ์ของโลภามันยังเป็นได้เลยนะไม่จํากล่าวต้องวิปัสสนานะ <c oughs> วิปัสสนาอะไรจะแหมไม่ฉลาดบ้างเลยมงั้นเถอะโง่มากมันงั้นเถอะ แม่บอกว่าชื่อปัญญาแต่ว่าจากัดขอบเขตให้รู้นิดๆหน่อยๆมันจะพอพ้นทุกอะไรพูดถึงเลตินาในดวงตาผมเคยอ่านหนังสือเจอเขาบอกเนื้อเยื่อทีหน้าท้องในกายใจเลตินาได้บอกวไปผ่าตัดทำได้ไหมละ่ะทำได้ทำเลตินาเทียมะอะต่อประสาตตาไว้ที่หนังท้องแล้วเปิดหนังท้องออกมาเอาท้องมองแกงต <c oughs> าพอแล้วพอแล้วไม่คุยกับจานนินิคนเดียว แกตินาจะเหมือนปิมพ์ถ่ายรูปเป็นนะครับแกติน้าห <c oughs> นักๆเข้าจะเอาหลังเล็บไปดูรูปได้แลว้วเนี่ย <c oughs> ยังไม่ได้เข้า ว, วิชาที่เราว่าสักอย่างนั้นอนนี้อนนี้ย้ อ, น, น, ยอนมาทบทวนนะว่าในสูตรนี้ก็บอกว่าจักสูตรไม่เที่ยงเป็นทุกเป็นอ น, นัตตาโสตะ ไม่เที่ยงเป็นทุกเป็นอนัตตาเนี่ยนะถ้าชื่อเต็มบอกว่าจากโซไม่เที่ยงสิ่งใดไม่เที่ยงสิ่งนั้นเป็นทุกไงนะสิ่งใดไม่เที่ยงสิ่งนั้นเป็นทุกสิ่งใดเป็นทุกสิ่งนั้นเป็นอนัตตาเพึงเห็นด้วยปัญญาอันชอบว่านั่นไม่ใช่ของเราอันนะอันนะ นั่นไม่ใช่เรานั่นไม่ใช่อัตราของเราเนยนะสามคำ อ, อ, อย่างจากสู่ที่กล่าวไปแล้วเนี่ยนะพร้อมทั้งองค์ประกอบแล้วก็ปัจจัยนี้เท่ากับพูดแล้วนะแล้วถ้าไม่เจริญอย่างนี้นะถ้าไม่เจริญปัญญาแบบนี้ขึ้นปกติแล้วจะเป็นปัจจัยแก่อะไรต่อไปโลภะ กรรมเกิดนี่ก็จะแบ่งสายนี้แต่ถ้าผู้ทีม่มีปัญญาเข้าก็ไปรอบรู้จากสูตพร้อมทั้งปัจจัยเนี่ยนะเนื่องจากแยก2ประการ2 ส, สายออกว่าสายวัตะเป็นยังไงกับสายวิวัตตะยังไงคือถ้าเขาจะแยกออกว่าสายสร้างตาเนี่ยก็คือเอาตานี้ไปไปชื่นชมเพลิดเพลินกับสีอันนี้คือสายสร้างตาใช่ไหม แต่ถ้าสายเห็นภัยของตาแต่จริงๆนะว่าพุพทธพจน์เนี่ยเวลาพระองค์แสดงจะไม่ยกแค่วัตถุใดวัตถุหนึ่งขึ้นมาเพราะว่ามันจะมีคนเข้าใจผิดอย่างที่คุณบุญมีเป็นต้นเนี่ยนะตัวอย่างเลยเ <c oughs> คยอบอกเอ้างั้นตาบอดมันก็ไม่ดีสิคือคือคือเขาบอกว่าสมมุติถ้าพิจารณาและชังอันนี้มันจะไปชอบบันอื่นอยู่อีกอันเวลาพุพทธพจน์แสดงจะแสดงตาหูจมูกเลนส์กายใจเลยพร้อมกันน่ะนะจะได้ไม่มีที่อ้างว่า เออเนี่ยนะถ้าไม่มีตามจะไปดียังไงอีกนะก็คือแสดงว่ายังชอบอันอื่นอีกเพราะฉะนั้นเวลาพุทธพจน์เนี่ยค์จะตัดทางเดินแห่งความเข้าใจผิดหมดไม่ใช่ว่าเราพูดอันนี้ไม่นา่าเกาะอันนี้พูดไปเกาะอันอื่นอีกนะยุ่งเลยนะอันนี้คืออุตสาว่าอันอื่นไม่ดีนะดูจะเห็นภายในลิ้นยังไปเกาะอันอื่นอีกถ้าลิ้นไม่รู้รสอีกก็ไม่อร่อยอยานะ่างนั้นก็หาที่เกาะจนได้อันว่ารวมๆก็ทั้งตาหูจมูกลิ้นกายใจเหมือนกันหมดคือ ในความไม่เที่ยงคาว่าไม่เที่ยงเนี่ยก็ไม่เที่ยงเป็นทุกข์เป็นอนัตตากับบอกว่านั่นไม่ใช่ของเรานั่นไม่ใช่เรานั่นไม่ใช่อัตตาของเราต่างกันไหมสองคำนี้สองกลุ่มนี้ต่างกันหมไม่ต่างกันเพราะอะไรเพราะว่าเห็นว่านั่นไม่ใช่ของเราปฏิเสธอะไรตัณหานั่นไม่ใช่เราปฏิเสธ มานะนั่นไม่ใช่อัตตาของเราปฏิเสธทิฏฐิพวกปัญหามานะทิฏฐิตัวนี้แหละคือเป็นตัวพื้นฐานให้วิปลาสเห็นไหมเป็นตัวที่เป็นฐานแห่งวิปลาสพ้นก็ตัวปัญญาหรือวิปัสนาปัญญาเนี้ยมาปฏิเสธเห็นไหะฉ้นต้องตามเห็นจากสู่ไม่เที่ยงเป็นทุกเป็นอนัตตาแล้วก็ต้อง ต้องไม่สร้างอันนี้นะต้องไม่เข้าไปสาคัญจักสู่ด้วยอานาจของตัญหามานะแลทิฐิเนี่ยนะปกติจักสู่เป็นสังขารธรรมนะ mm hmm. ก็ทำยังไงที่จะให้เห็นว่าต่อด้วยสังขตาธรรมถ้าเจริญอันนี้มากปกติจะต้องเห็นคุณของอ่าเรียกว่าถ้าไม่สร้างจักสูเนี่ยเป็นความสุขอย่างยิ่งนะ่ะ เกิดว่าจะไม่เห็นภาพที่ไม่สมควรจะจะเห็นเนี่ยนะจะได้เกิดว่าตัวตาเองก็ปัญหาไม่มีที่สิ้นสุดแล้วก็เกิดว่าสิ่งที่เลวร้ายทั้งหมดนี่ก็อาศัยเพราะมีตาเนี่ยแหละจึงจึงเห็นเข้ามันก็เห็นภัยที่ไม่ต้องการสร้างตาปัญญาอันนี้จะน้อมไปหาอสังขตะอันนี้เพราะฉะนั้นผู้ที่ตารู้ว่าจัก ส, ไสุไม่เที่ยงสิ่งใดไม่เที่ยงสิ่งนั้นเป็นทุกสิ่งใดเป็นทุกสิ่งนั้นเป็นอนัตตาก็ ไม่สําคัญว่านั่นเป็นเรานั่นไม่ใช่ของอไม่ใช่เรานั่นไม่ใช่อัตตาของเราก็ย่อมจะเบื่อหน่ายในจกักษุเป็นต้นนะจริงก็เบื่อหน่ายทั้งในจักสู่โสตากาณชิวหากายแล้วก็น้อมจิตไปหาอาสังคตะเมื่อมีอสังคตะเมื่อไหร่นี่เขาจึงเรียกว่าวิราคะหรือคลายกําหนัดเป็นศัพท์ที่ใช้เฉพาะเมื่อมีอสังคตะธาตุเป็นอารมณ์เมื่อไหร่จึงเรียกว่าคลายกําหนัด ถ้าก่อนหน้านี้เฉพาะเบื่อเฉยๆหน้าเบื่อทีนี้ก็เบื่อเบื่อแค่ไหนเบื่อจนว่าหลีกออกกันนะท่า น, นใช้คําว่าหลีกเนี่ยชอบมากเขาบอกว่าจิตเนี่ยหลีกออกจากสังคตะธรรมเนี่ยนะสังคตะธาตุเขาบอกว่าโตัวโคตรภูนี่ยเขาจะมีศัพ์ครับโคตรภูเนี่ยหลีกหนึ่งหลีกได้หนึ่งมักเนี่ยหลีกได้สอง โคตรภูเนี่ยหลีกออกจากสังขารนิมิตนะลีกออกลีกออกจากสังขารนิมิตเพื่อมีอสังขตะทมเป็นอารมณ์ส่วนมรก่เนี่ยลีกได้สองคือลีกจากอสังขตะอย่างหนึ่งลีกจากภพที่8อย่างหนึ่งนะถ้าหลีกจากภพที่8หมายถึงว่าลีกจากอบายด้วยนะลีกจากกิเลสด้วยนะลีกออกจากทุจริต บางส่วนเนี่ยนะอันนี้เรียกว่าหลีกออกอันนี้ก็ห ล, ลีกออกอีกชุดหนึ่งงั้นเขกตัวมรรคเนี่ยหลีกออกสองอย่างหลีกออกจากสังคตะนิมิตอ่าสังขารานิมิตทุกชนิดอย่างหนึ่งก็ลีกออกจากเนี่ยพ้นอบายพ้นพบที่8ปดละกิเลสเช่นส ก, กายยะทิฏฐิวิจิกิจฉาละทุจริตที่จะปลวงละเมิดศีลอะไรเงี้ยนะก็จะละได้ตามสมควรอันอันุภาพของมรรคหลีกได้ออกสองส่วน ห ล, ลีกออกจากสังคตะอย่างหนึ่งแต่ถ้าใช่สัพท์เดียวเลยก็บอกหลีกออกจากสังคตะนั้งในแง่าอารมณ์และในแง่ปวัติก็ได้กันนะหลีกออกจากในแง่โดยอารมณ์กับโดยปวัตตะคือสังวั ต, ตะเนี่ยนะลีกออกจากวัตตะใช้สองส่วนก็ได้ท่านก็เรียกว่าเจริญอันนี้มากๆแล้วต้องเห็นคุณในเนี่ยมากเนี่ยนะก็ศัพท์ในการเจริญอย่างเงี้ยเขาจึงน้อมไปหาอาสังคตะธาต ถ้าถ้าพื้นฐานมีใจรักอสังขตะนะพุทธพจน์เหล่าเนี้ยมีค่ายิ่งกว่าเพชรอีกเพราะว่าโอ้โหเนี่ยความพ้นทุกข์ของเราจะมีได้ด้วยประการอย่างนี้เนี่ยนะนี่แหละคือทางแห่งความพ้นทุกข์จริงๆกันนะก็ค่อนข้างเห็นคุณอันนี้มากแต่ถ้าพื้นฐานนะเออตาก็ใช้ได้หูก็ดีอะไรก็ดีถ้าอย่างนี้ก็หัถ้าตาบอดไม่ดีเลยหนะ้าอะไรเงี้ยนะครับถ้าคําถามลักษณะนั้นก็โอห่างจากวิชานี้ค่อนข้างมาก มีบทที่น่าคิดนะว่าตอนท้ายท่านบอกว่ามนโนไม่เที่ยงนะสิ่งใดไม่เที่ยงสิ่งนั้นเป็นทุกข์เนี่ยนะสิ่งใดเป็นทุกข์สิ่งนั้นเป็นอนัตตาสิ่งนั้นท่านทั้งหลายเพิ่งเห็นด้วยปัญญาชอบตามความเป็นจริงอย่างนี้ว่านั่นไม่ใช่ของเรานั่นเราไม่เป็นนั่นนั่นไม่ใช่อัตตาของเราคำว่ามนโนตัวนั้นเนี่ยท่านบอกว่าได้แก่จิตที่ดำเนินไปในการพิจารณา อ่าคือจิตในภูมิสมทั้งหมดเนี่ยนะคำว่ามโนโมไม่เที่ยงนี้ไม่ใช่เน้นจิตธรรมดาทั่วไปอย่างเดียวนะเน้นจิตในภูมิสามไม่ไม่เหลือจิตแม้แต่สักภูมิเดียวภูมิสามก็คือกามาวจรภูมิรูปาวจรภูมิอรูปาวจรภูมิเนี่ยนะนะคือจิตในภูมิสามอ่ะไม่เที่ยงถ้าใช้คําว่าจิตไม่เที่ยงนี้รู้เลยใช่ไหมว่าจิตนี้ต้องเนื่องด้วยวัตถุจิตนี้เนื่องด้วยอารมณ์จิตเนื่องด้วย สัมปยุตธรรมจิตเนื่องด้วยปัจจัยอย่างอื่นเพราะฉะนั้นถ้าปัจจัยเหล่านั้นเสียหายไปจิตเหล่านั้นก็ไม่ไม่คงอยู่ไม่ดำรงอยู่นะสิ่งใดไม่เที่ยงอ่ไจิตที่ไม่เที่ยงเหล่านั้นแหละเป็นทุกข์เนี่ยนะจิตที่เป็นทุกข์นั่นแหละเป็นอนัตตาท่านก็ตามเห็นความคิดทั้งมวลนั่นไม่ใช่เราไม่ใช่อเอ่อไม่นั่นไม่ใช่เรานั่นไม่ใช่ของเรานั่นไม่ใช่อัตตาของเราเนี่ยนะ ก็คิดดูนะ ว, ว่าวิชาเนี่ยเป็นวิชาที่แปลกมากก็เบื่อนายแม้กระทั่งความคิดน่นนะก็พันก็ครว่าถ้าเบื่อนายแม้กระทั่งความคิดแล้วก็ไม่มีอะไรที่เรียกว่าที่อริยาสาวกจะยึดถืออีกแล้วเนี่ยนะก็เห็นภายในทุกทุกสังขารธรรมทุกชนิดเนี่ยนะเนี่ยเนี่ยทนะิ้งเรือขนาดเรือยังไม่เอาเลยอ ก็ถ้ายังแมาปัญญาเรานี่ดีนะที่เจรณาได้กว้างขวางเนี่ยเรานี่ฉลาดเนี่แต่ยังไก็อยู่ในเรือนั่นแหละไม่ต้องเคลื่นบกบอกอะปัญหาเรือนี้มันก็ประกอบยากอนะเนีกว่าจะประกอบเน่นะได้ชิ้นหนึ่งโยนเข้าไปในน้ํานั้นจมสิทธ์เรือก็ประกอบยากไอ้ประกอบแล้วก็หมามันจะให้มันเดินทางอะไรก็ยาก เนี น, นะก็ปกติมันก็ไม่ไปอยู่แล้วอย่างก็ว่าปกติไม่อยู่งั้นปกติก็ไม่ได้ไปไหนอยู่แล้วเนี่ยนะบางแห่งเขาเรียกแพรครับเคยอ่านในหนังสือเาไม่เรียกเลยเขาเรียกแพรเขาบอกข้ามแพรข้ามป่าแล้วทิ้งแพรบางแห่งก็เรียกเรือบางเรือแห่งก็เรียกแพรข้ามป้าแล้วทิ้งแพร พูดถึงว่าในในสลายยานวักนี่นะฮะถ้าถ้าถ้าเราไม่เข้าใจดีๆนะคือตัวตัวพิจารณานี่เป็นจิจติดดวงหนึ่งมันได้อยู่ในอยู่ในกระบวนการของอายตนะกําลังต่อเชื่อมมันอยู่เลยแต่ก็วนี้จริงๆก็อยู่จุดหนึ่งถามว่า ม, มันอีกมนโนหนึ่งอีกทวารอย่าถามว่ายังอยู่ไหมก็อยู่แต่ว่ามโนกับธรรมะมโนวิญญาณที่อาศัยที่อาศัยมโนทวาเรเกิด มันไ อ, ไอตัวมโนวิญญาณที่ที่อาศัยมโนทวานเนี่ยมันเป็นเครียกว่ามันอาศัยปัจจัยพิเศษมันไม่เหมือนธรรมดามันอาศัยปัจจัยพิเศษที่ที่วิปัญญาเหล่านี้จะเกิดคือคําสอนนะซึ่งมาจากสารณาคมที่ดีนั่นเองนะทำให้ความคิดอันนี้เกิดขึ้นเพราะฉะนั้นเขาจึงเรียกว่าพระพุทธศาสนาเป็นความคิดของพระพุทธเจ้านะใครปฏิบัติตามนี้คิดแล้วพ้นทุกข์ได้ถือว่าเป็นของพระพุทธเจ้าเนี่ยนะจะไม่ถือว่าเป็น แต่ถ้าบรรลุแล้วก็เรียกว่าเป็นของคนนั้นแต่แบบแต่ก็เป็นคนนั้นน่ะแต่ถือในฐานะเป็นลูกพระพุทธเจ้าก็ยังสํานวนว่ายังเกี่ยวเนื่องกับพระพุทธเจ้าอยู่ดีเรียกว่าเป็นโอรสอาโอรสแปล ว, ว่าผู้เกิดจากอกนัน่น <c oughs> อกคือคําสอนของพระพุทธเจ้านั่นเองก็เป็นโอรสนะ <c oughs> นั่นแหละ <c oughs> <c oughs> หลวงองค์นิพพ า, าน เ, าเป็นอารมณ์เองไหมตัดพ้นพะรู้โดยชอบไอการไอศัพท์ว่าหน่วงไปนิพพานมาได้ยังไงเนี่ยอันนี้นี่เราบัญญัติขึ้นเองศัพท์เรานเนี่ยนะอันนี้คือเป็นโวหารที่ที่เอามามาพูดกันเองนะแต่ว่า ถ้าตามสํานวนพระสูตรแล้วท่านบอกว่าหลุดพ้นพระรู้โดยชอบเป็นต้นเนี่ยนะเมื่อเบื่อหน่ายย่อมคลายกําหนัดอันนั้นแหละเพราะว่านิพานนั้นเป็นอาสังคตธรรมไม่ใช่ว่าไปหน่วงมาเอามาหาอะไรเนี่ยไม่ใช่หมายถึงการน้อมจิตไปรู้เนี่ยนะครับคือเมื่อเบื่อหน่ายในสังขารทุกชนิดก็น้อมจิตไปรู้อาสังคตาธาตุอันนั้น แต่นี้โดยโวหารเนี่คำว่าจิตหน่วงมาก็คือโดยอารัมมะณะปัจจัยในขณะนั้ น, นในขณะที่จิตรับรู้อ่ะนะแต่โวหาร น, นี้ใช้สำหรับกับอารัมมะณปัจจัยแต่ไม่ใช่แบบเป็นโวหารในเรานึกถึงภาพเอามือไปคว้าไปจับอันใดอันหนึ่งไม่ใช่ในลักษณะนี้นะคือโวหารไปจํากัดความเฉพาะบางจุดเนี่ยนะ <c oughs> คือทางธรรมะนั้นเป็นป น, นามธรรมเรียกว่าโลกของนามธรรมซะ มากจริงๆเป็นเป็นโลกของนามธรรมมากเนี่ยนะมันะถ้าติดข้องในพยัญชนะเกินไปก็ไม่เข้าใจทิ้งพยัญชนะอีกก็ไม่ได้เรื่องนะมั น, น, นมันจะลักษณะนี่นะครับเราคิดถึงแพทคิดถึงเรือนะครับเราก็คิดว่าเออมันถึงฝั่งแล้วนะใกล้ใก็โทษใกล้็ผักเรือออกไปใช่ไห ม, มความจริงอ ไ, ไอ้เรือเ น, น่เริ่มตัง้งแต่ออกจากท่าเนี่ยมันยากตรงนั้นนะ ลองแล่นมาอยู่กลางลําน้ําก็ยากนะมันคืออะไรอะตรงนั้นเนี่ยตรงนั้นเนี่ยเป็นหน้าที่ของเราอใช่คือถ้าพื้นฐานนะอย่างย่งเมื่อกี้เนี่ยยังชอบว่าหลุดพ้นเพราะรู้โดยชอบจิตเหล่านี้ที่ที่หลุดพ้นได้เนี่ยนะมันต้องรู้อย่างอื่นอีกซึ่งจริงๆแล้วก็จะเรียนวันหลังๆต่อตอไปเนี่ยนะแต่นี้เราพูดในบางส่วนเท่านั้นเองเนี่ยนะเพราะว่าถ้าคนที่พิจารณาถ้ารู้อย่างนี้จริงๆแล้วรู้รอบ ตลอดสายของทุกบทในนี้นะมันก็ไม่มีปัญหาแต่ถ้าเอาได้ไปแค่คำก็ถ้าศรัท ธ, ธาก็ได้อุปนิสยนัยนะบรรลุได้ก็ดีบรรลุไม่ได้ก็วาสนาผู้สอนรับผิดชอบด้วยเพราะผมมาไม่รับผิดชอบหรอ<ก> ไปถวงเราในพระตัยพิดกมันเล่นยี่สิบแปดรับติดชอบท่านทั้งหลายอั น, น, อ น, นหลุดพ้นพราะรู้โดยชอบอ่ะรู้อะไรรู้จกักรูเนี่ยเป็นปริญญาะ อภินยยะก่อนปรินยยะปริญญย ะ, ะปะหาตภ ะ, ญญะสัชชิกาญญแล้วก็ภาเวตภ ะ, ญญะคือในในที่บอกว่า โ, โหเขาบรรลุบรรลุกันมีนิพานเป็นอารมณ์นะเขาจะรู้ไอ้ไอไอไกลุ่มคำเหล่านี้อย่างดีนะครับ เช่นว่าอภินเยยะคือยาตะปริญญาปริญเยยะคือตีรณปริญญาปหาตถภะก็คือปหานะปริญญานั่นเองเนี่ยนะสัจจิกาตถาภะคือเขาบอกว่าอันนี้เป็นสังคตะใช่ไหมไอสัจจิกาตถาภะนี่คืออสังคตะซึ่งซึ่งมันเรียกว่าจะรู้ของเรานะไม่ต้องไปคิดว่ามันเป็นอะไรนั่น เพราะว่าถ้าไม่เบื่อนายอันนี้อันนี้ไม่ไ ม, ไม่ไม่แจ้งเอาสิเพราะฉะนั้นวิธีจึงค้นเนี่ยด้วยยาตะตีรนาปหาณนะค้นจนเจออันนี้นะก็ก็อยู่ตรงนั้นเพราะจึงไม่ไ ม, ไม่บอกโอโ้โหมันอากาศช่องว่างๆอยู่แถวนั้นหรือเปล่าเออช่องว่างระหว่างกราบหรือเปล่านี่ไม่ใช่สักอย่างเลยนะนต้องเบื่อจากอันนี้แล้วอันนี้มันจะแจ้งเองเนี่ยนะด้วยข้อปฏิบัติปฏิบัติคือเนี่ยคือทำอันนี้แหละ พันธ์ไอ้คำว่าภาวนาคือดําเนินตามกิจอันนี้แหละเรียกว่าทําภาวนาละพัะธ์ไอ้เ น, น, นี่ยเขาบอกนี่ยามว่าหลุดพ้นเพราะรู้โดยชอบอ่ะท่านบรรลุเพราะท่านทําอย่างนี้จะเรียกว่าเห็นสังกัตะโดยชอบก็ได้หรือรู้อันนี้โดยกิจทํากิจในพวกนี้จนบริบูรณ์น่ะจนหลีกออกได้ไหม เราบคนที่ที่จบสิ่งนี้จริงๆคือคนที่ออกจากสิ่งนี้ได้นะคนที่พ้นสิ่งนี้คือคนที่รู้จักสิ่งนี้เป็นอย่างดีไม่ใช่คนที่กลบเกลื่อนสิ่งนี้เพราะวิชานี้ไม่ใช่รูปบรรลุ ด, ด้วยโมหะเนี่ยนะแต่บรรลุ ด, ด้วยความรอบรู้ในสิ่งนั้นเพราะถ้าเรายังไม่เห็นโทษของตาก็ไม่เป็นไรเพราะยังไงก็ไม่บรรลุในระหว่างอยู่แล้วนะจนกว่าจะเคลิกว่าโอ้ลืมตาเมื่อไหรก่ก็หรือว่า พอนึกถึงตาแล้วร้องยี่เลยนะอนนั้นแหะใกล้แล้วที่เคยเห็นในอดีตก็ดีเหลือเกินเนี่ยนะพรุ่งนี้จะไปเห็นนั้นนั้นชาติหน้าจะไปดูานู่นเนี่ยแต่ถ้าอย่างงี้ก็อ้อีกนอนแต่พูดถึงตาแล้วยี่โอ้อโหแย่แหวสนวสามนมาสะดุ้งหมดเลยนะใจเลยอู้หนว ก็ลีกออกจากสังขารทุกชนิดะถ้าอย่างนั้นก็จะาอต่งนั้นก็มีอะไรก็เอาไปฝากฝากนะนาบุญนะตรงนั้นดินดี